จเจริญพรท่านผู้มีจิตรศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11มีนาคมพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบางเพ็ญบุญ และกุศลเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความสิ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการมาวัดนี้เพื่อเป็นการมาเพื่อมาศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะได้นํามาประใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของตอนเอง พวกเราทุกคนก็มีความปรารถนาที่จะมีแต่ความสุขไม่อยากจะมีความทุกข์แต่เราไม่รู้ว่าเหตุที่จะทำให้เรามีความสุขนั้นเป็นอย่างไรเหตุที่จะทำให้เราไม่มีความทุกข์เป็นอย่างไรชีวิตของเราจึงมักจะเป็นชีวิตที่คุกเขากันไประหว่างความสุขและความทุกข์ ถ้าเราทำเหตุที่ถูกเราก็ได้ความสุขถ้าเราทำเหตุที่ไม่ถูกเราก็จะได้ความทุกข์ถ้าเราได้ศึกษาเราจะรู้วิธีที่จะทำให้เรามีความสุขและไม่มีความทุกข์ได้สำหรับผู้ที่ยังคลองเรือนอยู่พระพุทธเจ้าทรงแสดงความสุขหรือเหตุของ การมีความสุขไว้อยู่4ประการด้วยกันคือ 1, การมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์อันนี้ก็เป็นเหตุที่จะทำให้มีความสุขประการที่สองคือการใช้ทรัพย์การได้ใช้ทรัพย์ก็เป็นเหตุที่จะทำให้มีความสุขประการที่สคือการไม่มีหนี้ และประการที่4คือการกระทที่ไม่ไม่สร้างความเสื่อมเสียความเสียหายให้แก่ตนเองและผู้อื่นอันนี้ก็เป็นเหตุที่จะทำให้เรามีความสุขนี่คือความสุขสี่ประการของผู้ครองเรือนข้อที่หนึ่งที่สงแตยว่าการรีทรัพย์ หรือการได้ทรัพย์นี้เป็นความสุขก็คงจะไม่ต้องอธิบายกันเวลาที่เราได้เงินได้ทองมาหรือเวลาเรามีเงินทองอยู่กับมือกับมือเราจะมีความอบอุ่นใจมีความสุขใจเพราะว่าเรารู้ว่าเงินทองนี้สามารถแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆที่จังเป็นต่อการ ดำรงชีพของเราได้แต่การที่จะได้เงินทองมาหรือการในเงินทองนี้ก็ได้มาหลายวิธีด้วยกันวิธีที่ทําให้เกิดความสุขก็มีวิธีที่เกิดความทุกข์ก็มีเช่นการทํามาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทําด้วยความรู้ความสามารถ ไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทำผิดศีลธรรมเงินทองที่ได้มาก็จะเป็นเนงินทองที่สะอาดไม่มีไม่มีโทษตามมาแต่ถ้าการทาการหาเงินหาทองของเรานี้ไม่สุจริตไม่ถูกกฎหมายก็จะเป็นเนงินทองที่มีโทษตาม เพราะเราจะต้องถูกเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองคอยติดตามจับตัวเราไปลงโทษแล้วถ้าทำติดสินติดธรรมเราก็จะถูกกดแห่งกรรมตักกดแห่งกรรมตามมาลงโทษทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในปัจจุบันเวลาเราทำบาปเราจะมีความทุกข์ใจกังวลใจ มีความหวาดกลัวมีความวิตกกังวลแล้วหลังจากที่เราตายไปแล้วเราก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายต่อไปอบายนี้ก็มีอยู่สี่ที่ด้วยกันสำหรับผู้ที่ทำบาด้วยสาเหตุที่แตกต่างกันผู้ที่ทำบาดโดยความหลงคือไม่รู้ว่าเป็นบาดเช่นผู้ที่ต้องทำมาหากินจาก สิ่งที่มีชีวิตค้าขายสิ่งที่มีชีวิตเช่นปูปลาไก่เป็ดหมูเนื้อที่จะต้องฆ่าเขาเพื่อเอามาขายการฆ่าสัตว์เป็นอาชีพอย่างนี้ถึงแม้จะไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ยังเป็นบาปตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นเป็นเดรัจฉาน นี่คือการกระทำบาปด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าไม่เป็นไม่เสียหายเห็นว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดำรงชีพอยู่ก็เลยทำอาชีพฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูฆ่าวัวเป็นต้นนี่ก็เป็นการหาเงินที่ทำให้เกิดความทุกข์ตามมาไม่ได้ให้เกิดความสุข ถ้าเราหาเงินหาทองมาด้วยความโลภคืออยากได้มากๆทั้งๆที่เรามีพอเพียงอยู่แล้วแต่เราอยากร่ำ อ, อยากรวยอยากมีสมบัติมีอะไรต่างๆมากมายก็เลยไปทำบาปเพื่อที่จะให้ได้เงินทองมามากๆถ้าทำบาปด้วยความโลภท่านบอกว่าตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นเปรต ส่วนพวกที่ทำบาปเพราะความกลัวกลัวอดตายกลัวเขาจะมาฆ่าเรากลัวเขาจะมาทำร้ายเราเราก็เลยไปทำร้ายเขกก่อนอย่างนี้ตายไปก็จะไปเกิดเป็นอสุรกายหรือเป็นผีส่วนพวกที่สี่คือพวกที่ทำบาปด้วยความเกลียดความโกรธความอาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรมตายไปก็ต้องไปตกนรกนี่คือที่ไปสี่ที่ด้วยกันของผู้ที่ทําบาลด้วยเหตุผลต่างๆกันทําบาปเพราะความไม่รู้เพราะความหลงก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานทําบาปเพราะความโลภอยากได้มากๆก็ต้องไปเกิดเึ็นเปรตทําบาปเพราะความกลัวก็จะเกิด เป็นผีเป็นกุศลกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะต้องไปตกนรกนี่คือการกระทำที่ไม่พึงกระทำถ้าเราจะหาเงินหาทองขอให้เราหาด้วยวิธีที่สุดเจริคือไม่ผิดศีลผิดธรรมและไม่ผิดกฎหมายเงินทองที่ให้มาก็จะไม่มีโทษ ไม่มีความทุกข์ติดตามมาจะให้ความสุขกับเราอย่างเดียวนี่คือเรื่องของการมีทรัพย์วิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งของการมีทรัพย์ก็คือการได้ทำบุญมาในอดีตบางท่านได้ทำบุญให้ทานมามากในอดีตเกิดมาก็ได้มาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยมีเงินมีทองไม่ต้องเดือดร้อนอันนี้ก็เป็นการมีทรัพย์ ที่เกิดจากการทำบุญที่เราได้ทำมาในอดีตยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราในสมัยที่เป็นท้าวเวชสันดอนก็ทรงทำบุญให้ทานอย่างมากมายพอท่านตายไปท่านก็ไปรับผลบุญที่สวรรค์พอหมดแล้วหมดบุญจากสวรรค์แล้วท่านก็ลงมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นราชกุมาร เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินมีทรัพย์สมบัติมากมายมีปราสาทสามฤ ด, ดูมีบริษัทบริวารข้อมร้องรับใช้อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นการมีทรัพย์ที่เกิดจากการทำบุญมาในอดีตชาตินี้เราเกิดมาแล้วต้องมาเกิดอยู่กับครอบครัวที่ยากจนถ้าเราอยากจะให้ชาติหน้าของเราดีขึ้น กลับมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินก็ขอให้เราพยายามทำบุญกันให้มากๆเพราะนี่คืออนิสงส์ที่จะตามมาต่อไปในภายภาคหน้าแต่ในปัจจุบันนี้ถ้าเรายากจนเราอยากจะมีทรัพย์ก็ขอให้เราทำมาหากินหาทรัพย์มาด้วยวิธีที่สุดจริญไม่ผิดกฎดหมาย แล้วทรัพย์ที่เราได้มาจะให้แต่ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวนี่คือข้อที่1การมีทรัพย์ข้อที่สองคือการใช้ทรัพย์ใช้เงินใช้ทองก็ใช้ให้เกิดความสุขก็ได้ใช้ให้เกิดความทุกข์ก็ได้ถ้าเราเอามาใช้เพื่อดูแลรักษาอัตภาพร่างกายของเราเช่นเอามาซื้ออาหารซื้อ เสื้อผ้าซื้อยารักษาโรคซื้อบ้านอยู่การใช้เงินแบบนี้ก็จะนำความสุขมาให้กับเราแต่ถ้าเราใช้เงินไปในทางที่ไม่ถูกก็จะนำความทุกข์ให้กับเราได้เช่นเดียวกันถ้าเราเอาเงินนี้ไปซื้อสุรายามเมาซื้อยาเสติดเอาไปเที่ยวกลาคืนเอาไป เล่นการพ น, นั น, นการใช้เงินทองแบบนี้ก็จะเกิดโทษกับเราเพราะว่าการใช้เงินแบบนี้จะดูดซับเงินทองที่เรามีอยู่นี้ให้หมดไปและไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับร่างกายหรือจิตใจของเรามนี่ยแต่จะทำให้จิตใจของเราเดือดร้อนวุ่นวายถ้าเล่นการพ น, นันแล้วพอหมดเงินหมดตัว ก็ต้องขายสมบัติที่มีอยู่ต่อไปขายสมบัติหมดแล้วก็ยังต้องไปกู้หนี้ยืมสินแล้วถ้าไม่มีปัญญาที่จะคืนเจ้าหนี้ได้ก็อาจจะถูกเจ้าหนี้เข้ามาทำร้ายหรือฆ่าตายได้นี่คือการใช้ทรัพย์ที่ไม่ไม่ถูกทางไม่ควรเอาไปใช้กับสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเรา ชีวิตของเรานั้นต้องการเพียงปัจจัยสี่คืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและเครื่องนุ่หงห่มเท่าที่จําเป็นถ้ามีมากเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้ทําให้มีความสุขมากเกินไปเช่นมีบ้านสองสามหลังนี้ก็ไม่ได้มีความสุขมากเกินไปกับเป็นภาระที่จะต้องคอยดูแลรักษานอกจากถ้าซื้อไว้เพื่อเป็นการลงทุน อย่างนี้ก็ทำได้เพราะเป็นการเพิ่มพูนทรัพย์ให้มีมากขึ้นซื้อแล้วก็สามารถปล่อยให้เขาเช่าได้ก็จะมีรายได้แล้วก็ยังมีเป็นยังเป็นทรัพย์สินของเราอยู่นี่คือการใช้ทรัพย์ต้องให้รู้จักการใช้เพื่อให้เกิดความสุขอย่าใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีความจำเป็น เช่นมีเสื้อผ้าอยู่เต็มตู้แล้วพอแล้วก็อยากไปซื้ออีกถึงแม้ว่าเราจะมีเงินมากมายก็ตามซื้อมาแล้วก็ไม่ได้รับความสุขมากกว่าเดิมหรือเอาเงินไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอย่างนี้ก็ให้ความสุขเพียงประเดียวประดาวพอกลับมาที่บ้านมันก็มีความว้าเหวเศ้าส่อ้อยหวเหงาเหมือนเดิม ถ้าอยากจะใช้ทรัพย์ให้เกิดความสุขแก่จิตใจก็ควรเอาไปทำบุญเพราะการทำบุญนี้จะให้ความอิ่มเอิบใจให้ความสุขใจกับเราและเราจะไม่รู้สึกหิวอยากได้สิ่งต่างๆเพราะด้วยจิตใจในความอิ่มแล้วก็ไม่อยากจะได้อะไรสาเหตุที่เราต้องซื้อเสื้อผ้าหลายๆชุด ซื้อรองเท้าหลายๆคู่เกินความจาเป็นก็เพราะว่าใจของเราไม่ได้ทำบุญไม่ได้รับอาหารอาหารของใจนี้คือบุญพอไม่ได้ทำบุญก็เลยเกิดความหิวอยากได้สิ่งต่างๆก็เลยต้องไปเสียเงินเสียทองที่ไม่ได้ทำให้ใจอิ่มเพราะว่าซื้อมาเท่าไหร่ก็ยังไม่อิ่มสักทีซื้อมาแล้วก็ยังอยากจะซื้อใหม่ อาทิตย์นี้ซื้อชุดนี้พออาทิตย์หน้าออกไปเดินเดินตามห้างเดี๋ยวเห็นชุดใหม่เขาโชว์ออกมาโชว์ก็อยากจะได้นี่คือการใช้เงินแบบไม่เกิดประโยชน์ไม่จําเป็นเสื้อผ้ามีพอเพียงแล้วซื้อมาก็เท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ดับความหิวความว้าเวควความอยากจะใช้เงินถ้าอยากจะดับความอยากจะใช้เงินให้เอาเงินนี้ไปทําบุญ วเมื่อทำบุญแล้วใจจะเกิดความอิ่มขึ้นมาเกิดความพอขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะได้อะไรจะใช้เหตุผลถ้าต้องการอะไรก็จะคิดด้วยเหตุด้วยผลจะไม่ใช้ตามอารมณ์นี่คือการการใช้ทรัพย์ที่ทําให้เกิดประโยชน์และการและการใช้ทรัพย์ที่จะทําให้เกิดโทษขอให้เราพิจารณาให้ดีเพื่อ เราจะได้มีความสุขกับการใช้ทรัพย์ข้อที่สาคือการไม่มีหนี้การไม่มีหนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งผู้ที่มีหนี้นี้จะไม่มีความสุขเพราะจะต้องวิตกกังวลกับการที่จะต้องหาเงินมาใช้เจ้าหนี้เอาเงินไปใช้หนี้ถ้าไม่มีก็จะเดือดร้อนเพราะจะต้องต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป เช่นเราซื้อของมาโดยไม่ได้จ่ายเงินสดเราซื้อเงินผ่อนพอเราไม่มีเงินที่จะผ่อนให้กับเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องมาทวงเอาของที่เราซื้อกลับคืนไปดังนั้นวิธีหนึ่งถ้าเราอยากจะได้ของอะไรก็อย่าเพิ่งซือ้อย่าซื้อเงินผ่อนให้เก็บเงินที่เราต้องการจะซื้อของนี้สะสมไว้ก่อนเก็บไว้ให้พอ พอเรามีจํานวนพอแล้วเราก็ซื้อเงินสดซื้อเงินสดนี่ก็จะถูกกว่าซื้อเงินถอนเพราะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยและเงินสดที่เราเก็บไว้เราฝากไว้ในธนาคารเราก็จะได้ดอกเบี้ยด้วยดังนั้นการซื้อของที่ซื้อด้วยเงินสดนี้จะถูกกว่าซื้อของที่ซื้อด้วยเงินถอนปัญหาก็คือคนเราใจร้อนพออยากจะได้อะไร ก็เลยอยากจะซื้อ ท, ทันทีเราต้องหัดทำใจเย็นๆไว้สอนใจเราว่าซื้อเงินสดดีกว่าตอนนี้ไม่มีเราก็อดทนเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปซื้อเหมือนท่านคำโบราณที่บอกว่าให้อดเปรี้ยวไว้กินหวานช่วงนี้มะม่วงออกเวลาออกใหม่ๆมันจะเปรี้ยวถ้าอยากจะกินก็จะไม่ได้กินมะม่วงหวานเพราะว่าจะเด็ดมะม่วงเปรี้ยวมากินซะ แต่ถ้าจจเย็นๆไว้รอสักพักหนึ่งเดี๋ยวมะม่วงสุกก็จะได้กิตมะม่วงหวางที่มีรสอร่อยกว่ามะ ม, ม่วงเปรี้ยวหลายเท่าด้วยกันนี่ก็คือเรื่องของการที่จะอยู่อย่างมีความสุขก็คืออยู่โดยไม่มีหนี้อย่าไปสร้างหนี้คนที่มีหนี้แล้วถึงแม้จะนอนอยู่ในบ้านราคา10บล้านก็นอนไม่หลับนอนแบบ นอนแบบเขาเรียกอะไรตีนกายหน้าผากเพราะคอยวิตกกังวลว่าจะหาเงินที่ไหนมาผ่อนบ้านถ้าผ่อนไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องถูกเขายึดคืนไปแต่คนที่อยู่ไม่มีเงินมากก็เช่าบ้านอยู่ไปก่อนเก็บเงินเก็บทองรอไว้พอมีเงินพอที่จะซื้อพอจะสร้างบ้านใหม่ถึงแม้บ้านที่จะอยู่นี้เป็นบ้านที่เช่าก็ตามแต่ก็จะนอนหลับอย่างสบาย เพราะไม่ต้องมาทุกข์มาวิตกกับการที่จะต้องหาเงินหาทองมาผ่อนมาจ่ายหนี้นี่คือความสุขที่เกิดจากจากการไม่มีหนี้ประการสุดท้ายความสุขที่เกิดจากการกระทาที่ไม่เป็นโทษก็คือไม่ทําอะไรที่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลผิดธรรมเพราะถ้าทำผิดศีลผิดธรรมหรือทผิดกฎหมายแล้ว จิตใจก็จะต้องวิตกกังวลหวาดกลัวเป็นเหมือนวัวสำนงวะถ้าเราไปทำผิดกฎหมายเวลาเราไปเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็จะเกิดความตกใจขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาทั้งทั้งที่เจ้าเนี่ที่ตำรวจเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าเราไปทำผิดกฎหมายมาเสียด้วยซ้ำไปแต่เนื่องจากการกระทำผิดของเรานี่ มันจะเป็นตัวที่จะทำให้เราหวาดกลัวขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่อยากจะไปรับโทษกลัวจะถูกจับกลัวจะถูกจับไปลงโทษต้องไปติดคุกติ ด, ต, ด, ต, ด, ต, ดตารางเช่นเดียวกับการทำบาปเราโกหกใครนี่เราก็จะไม่สบายใจเราเอาทรัพย์ของใครไปเราก็จะไม่สบายใจเพราะเรากลัวว่าผู้ถ้ามีคนอื่นเขาเห็นเขา้าเขาก็จะประนามเราได้ เขาก็จะฟ้องเ่าไดา้เราก็จะกลายเป็นคนไม่น่านับถือไม่น่าคบค้าสมาคมด้วยดังนั้นการกระทาของเราไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจขอให้เราคิดดีพูดดีทำดีอย่าไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทาไม่ดีการคิดไม่ดีก็คือการโลภอยากได้สิ่งที่เรายังไม่สามารถ หามาได้ด้วยวิธีที่สุดจริตอย่าไปอยากได้ถ้าเราอยากจะได้อะไรขอให้เราอยากในสิ่งที่เราสามารถหามาได้ด้วยวิธีที่สุดจริตไม่ผิดกฎหมายถ้าเราพอเราคิดว่าเราอยากได้ในสิ่งที่จะทำต้องต้องทาให้เราไปทำผิดกฎหมายหรือไปกู้หนี้ยืมสินหรือไปทำบาปทำกรรมเราก็ควรระงับความคิดนั้น อยาคิดเมื่อเราไม่คิดแล้วเราก็จะไม่พูดเราก็จะไม่ทำในสิ่งที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับเราได้การที่เราจะควบคุมความคิดของเราได้เราก็ต้องเจริญสติเราต้องคอยเฝ้าดูใจของเราอยู่เรื่อยๆดูความคิดของเราอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้กำลังคิดอะไรอยู่ถ้าคิดไม่ดีเราต้องหยุดมันให้ได้ ถ้าหยุดมันไม่ได้เราก็ต้องสร้างเบรคขึ้นมาเบรกก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธไปวันวันห น, นึ่งนี้เราควรที่จะซ้อมหัดหยุดความคิดของเราอย่าปล่อยให้ความคิดของเราคิดไปเรื่อยเปืยเพราะมันจะคิดได้รวดเร็วมากพอเห็นอะไรปับ๊บก็จะคิดทันทีแล้วถ้าเราไม่มีเบรกพอมันคิดปับ๊บมันก็จะพูดจะทาทันที แต่ถ้าเรามีเบรกพอคิดว่าจะไปพูดหรือจะไปทำในสิ่งที่เป็นโทษเราก็จะหยุดมันได้ดังนั้นเราควรที่จะพยายามสร้างเบรกขึ้นให้กับใจของเราเบรกนี้ก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยเร้องบริกรรมพุทโธไปภายในใจไม่ว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่กำลังเตื่นขึ้นมากำลังลุกขึ้นมา กำลัจะเดินไปห้องน้ำไปอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเดินทางไปทํางานก็ท่องพุโทโธไปทายในใจอยู่เรื่อยอย่าให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยกับเรื่องที่ไม่มีความจําเป็นอย่าต้องคิดแต่ถ้าเป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องคิดก็คิดได้คิดให้พอคิดเสร็จแล้วก็หยุดแล้วกลับมาที่พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆถ้าเรามีพุโทโธแล้วต่อไป เวลาใจเราคิดจะไปทําบาปที่จะไปทําผิดกฎหมายคิดไปกู้หนี้ยืมสินเราก็จะหยุดได้พอเราหยุดได้แล้วเราก็จะไม่ต้องไปทําในสิ่งที่จะเป็นโทษกับเราต่อไปนี่คือความสุขของของผู้คลองเรือนถ้าเราสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติได้ คือให้รู้จักหาทรัพย์หรือมีทรัพย์ให้รู้จักใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษแก่ชีวิตจิตใจให้ให้รู้จักการไม่มีหนี้และให้รู้จักการกระทาที่ไม่เป็นโทษกับตนเองถ้าสามารถทำธรรมะทั้งสี่ประการได้รับรองได้ว่าชีวิตของเรานั้น จะมีแต่ความสุขอย่างเดียวจะไม่มีความทุกข์จะไม่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆมาลบเล้าจิตใจของเราทุกวันนี้คนเราที่มีความทุกข์กันมากก็เพราะความโลภนี่เองเมื่อเกิดความโลภแล้วก็ไม่สามารถยับยั้งผ่านโลภได้ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไปซื้อของผ่อนมาถ้าซื้อของผ่อนไม่ได้ก็ไปทำผิดกฎหมาย ไปลักคมโมยไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาซื้อสิ่งที่ตนเองอยากได้แต่ถ้าเราสามารถที่จะควบคุมความโลภของเราได้เราก็จะอยู่อย่างร่มงเงย็นเป็นสุขได้เพราะเราจะไม่ไปกู้หนี้ยืมสินเราจะไม่ไปทำผิดกฎหมายไม่ไปทำผิดศีลผิดธรรมเมื่อเราไม่ทำสิ่งที่เป็น การกระทำที่เป็นโทษแล้วโทษก็ไม่มีตามมาไม่มีตำรวจคนไหนก็จะมาจับเราไปเข้าคุกเข้าตารางถ้าเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายถ้าเราไม่ได้ทำบาปทำกรรมก็วิบากก็จะไม่ส่งให้เราไปเกิดในอบายไม่ให้เราไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรเป็นอสูรกายหรือไปตกนรกเราเท่านั้นแหละเป็นผู้ที่จะส่งตัวเราไปเอง ไม่มีใครที่จะมาส่งเราไปนรกหรือไปสวรรค์เราเป็นผู้ส่งตัวเราไปเองด้วยการกระทำของเราถ้าเราทำบาป ท, ทำกรรมเราก็ต้องไปอบายถ้าเราทำบุญทำความดีเราก็จะไปสวรรค์อันนี้เป็นกฎแห่งกรรมไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้ยและเอามาสั่งสอนให้จะสารเลิกหรือไม่ กฎแห่งกรรมนี้ก็ยังเป็นกฎแห่งกรรมเหมือนเดิมแล้วก็จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เช่นเดียวกันไม่เชื่อมันก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งผลของบาป ท, ที่ทำไปได้รือยับยั้งของผลของบุญที่ทำได้มันไม่ได้อยู่ที่เชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่ว่าทำหรือไม่ทำดังนั้นถ้าไม่อยากจะต้องรับโทษ ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความวุ่นวายใจหรือการจะต้องไปเกิดในอบ า, ายก็อย่าไปทำบาปถ้าอยากจะมีแต่ความสุขตายไปอยากจะไปเกิดในสวรรค์ก็ขอให้ทำแต่ความดีรับรองได้ว่าผลจะเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนอย่างแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะพระพุทธเจ้านี้ไม่เคยพูดปดแม้แต่คาเดียว พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีถึง8ปดหมพันพระธรรมขันธ์เป็นความจริงทั้งนั้นเป็นสวาขาโตภควตาธโมคือเป็นธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วถูกต้องแล้วไม่ผิดเพี้ยนจากคามจริงเลยดังนั้นพวกเราสามารถเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่เลยขอให้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนคือให้ทําความดี ให้ละบาดอย่าทำบาดแล้วก็ให้กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจของพวกเราเถิดแล้วเราจะมีแต่ความสุขจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการนาวันเพื่อมาศึกษาธรรมะวิธีที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์นี้ให้ท่านได้นำเอาไปปฏิบัต เพื่อความสุขที่จะตามมาและความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปงานแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยึติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีวัฒนคายและบุงกุศลที่ท่านได้มาบัพเพกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ด้วยอายุวั น, นสุกภะภะโดยทั่วหน้าการเธอ